เป็นยังไงเันบ้างที่ผ่านมาเมื่อบายนี้เรีนเกิดขึ้นมามีสิ่งใดเกิดขึ้นกับกายกับใจเห็นได้ยังไหม คีณลตงคิดใจสบวนไหมคุณจะดันพันจดันพันมีค่ะเกิดหลายเรื่องไหมหลายเรื่องแล้วมันยาวไหมเมลาคิดยาวไปบ้างั้นบ้าทำไมมันถึงยาวบ้างทำไมมันถึงตั้นบ้าง ถ้ายาวก็คิดไปต่อเรื่อยๆไปยาวคเรื่องมันจบเองหรือว่าเรารู้ตัวก่อนเองมาถึงหยิดคิด <c oughs> <c oughs> เ, เกิดขึ้นแล้วนะแต่ก็คงมีมีบางครั้งเหมือนกันนะที่ มันเกิดคืมันไม่สนใจเองเนาะมันไม่สนใจเองแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติมันก็อาจจะไปกับมันยาวควนี้ใช่ปะ <c oughs> ่ะก็ <c oughs> คงเกิดเกิดความคิดกันทุกคนเนาะมีใครไม่คิดบ้างบ่ายนี้ <c oughs> ไม่มีนะฮ่าไม่มีฮะ มันเป็นธรรมดานะนะธรรมดาเราจะไม่คิดเลยก็ต่อเมื่อเราเข้าสมาธนะิที่ลึกๆจริงๆนะมันถึงจะไม่คิดนะแต่สมาธิที่เข้าลึกก็จริงนะแต่มันก็ต้องออกมาจากสมาธิเหมือนเดิมนะอย่างพระพุทธเจ้าตอนก่อนท่านตัศรู้ท่านก็ทำสมาธนะิขั้นสูงก็ทำได้ แต่ถ้าเร้ว่าสมาธิพวกนั้นพอถึงคราวมันก็ต้องออกมาจากสมาธิมันเดิมหรือฤๅษีชีพายอ่าเขาก็ทำสมาธิแบบนั้นได้สูงบ้างได้ระดับกลางบ้างระดับต้นๆบ้างก็เข้าถึงความสงบได้แต่ก็ไม่มีใครสักคนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์จากการียงแค่ทาสมาธิ หรือทาจิตให้สงบทําทําจิตให้ว่างจากความคิดแตนะ่ถ้าเราเข้าใจว่าการปฏิบัตนะิธรรมเราไม่ได้ทำํนะทำทําจิตให้ว่างจากความคิดนะไม่ไม่ใช่นะแต่การปฏิบัติธรรมคือเราเพียงแค่รู้ทันแะล้วก็เห็นมันเห็นอย่างไรถ้าเรา ถ้าเรารู้สึกว่าเราคิดเราฟุ้งซ่านเราคิดไม่ดีเลยนะเคยเม็ไหม <c oughs> ทําไมมันถึงคิดไม่ดีแบบนี้นะทําไมมันฟุ้งซ่านแบบนี้มันจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจเนาะรู้สึกไม่ค่อยดีแต่ลองดูดีๆถ้าลองเห็นมันเพียงแค่จิตมันคิดไม่ใช่เราคิดนะ แตะต่างกันเลยนะคนก็คนก็นเรื่องเลยนะ <c oughs> จิตมันคิดกับเราคิดเนี่ยมันคนละอันกันเลยนะอืมเราสังเกตัวแต่ถ้าเราจิตมันถ้าถ้าเราตัวรู้วันนี้ทําไมปฏิบัติธรรมแล้วเราฟุ้งซ่านเหลือเกินเนะี่ยเราคิดไม่ดีเนี่ยมันจะรู้สึกแย่รู้สึกทุกข์รู้สึกหนัก <c oughs> แต่ถ้าเห็นว่าเออ วันนี้ปฏิบัติธรรมแล้วเห็นจิตมันคิดเห็นจิตมันฟุ้งซ่านเห็นจิตมันคิดแย่ๆมันก็เป็นเพียงแค่แค่จิตมันเป็นนะมันจะมันก็จะมันก็เป็นเรื่องของมันเนาะลองสังเกตดูวันนี้จิตมันคิดจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันสงบจิตมันไม่สงบเราก็รู้วันนี้เห็นกาย เห็นกายมันง่วงเห็นกายมันเมื่อยนะีเห็นกายมันเบื่อนะี่ยก็ดูมาเ น, นะ่อืมแต่ถ้าวันนี้วันนี้ปฏิบัติธรรมแล้วง่วงวันนี้ปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อยวันนี้ปฏิบัติธรรมแล้วเบื่อมันจะรู้สึกเป็นตัวเป็นตนยิ่งใหญ่เนะียยิ่งใหญ่นะแต่ถ้าอมืมันเป็นกายที่เมื่อยกายที่ปวด กายที่ง่วงเนี่ยมันเบาใครเคยใครพอจะเข้าใจมากเห็นไหมเห็นกายเห็นกายมันเป็นของมันอย่างนั้นนะเห็นจิตมันเป็นของมันอย่างนั้นเนะี่ยเพราะอะไรพอเราเห็นเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูก สุสติเข้าไปดูเข้าไปเห็นนะเราสันเกตเริ่มจากการนี่แหละนะเห็นเห็นการเคลื่อนไหวเห็นเห็นการเคลื่อนไหวเห็นการหยุดนิ่งเห็นการสัมผัสใต่สิ่งสำคัญนะมาอยากให้รู้สึกเนะี่ยรู้สึกเป็นครั้งจบนะ พิกเนี่จบหนึงจบวั น, ว น, ว น, วนจบถ้าทำแบบเนี้ยมันจะเหมือนมันช่วงแค่เสี้ยววินาทีเล็กๆเกน่ะคือการคือการรับรู้คือการทางานแค่นั้นมันจบมันไม่ใช่เป็นภาระว่า เ, วเราจะต้องนั่งให้ได้ครึ่งชั่วโมงมันจะคอยดูว่าจะได้ครึ่งชั่วโมงไร น, นะ <c oughs> หรืออ่ะจะยกให้จบ จบรอบหนึ nó, đ đ ừ, ่งเนี่ยรอบหนึ่งมันก็ยังแบบติดกว่าวินาทีเนาะพอจะจบมันจบรอบหนึ่งแล้วสมบัตินะแต่จริงไม่ใช่นะที่จริงจบจบจบจบมันเหมือนทําแล้วก็เสร็จทุกขนาดเลยถ้าทําแล้วเสร็จทุกขนาดมันจะเบาเดินก็เหมือนกันปุ คือมันเต็จ ท, ท, ท, ท, ท, ทีละเก้าเลยนะแต่ก็ไม่ได้ว่าแบบแช่แบบชา้าเกินไปแล้วก็เหมือนทําเป็นลูกเป็นครั้งมันจบเป็นครั้งมันมันบอก <c oughs> ชีวิตเราที่มันหนักก็อะไรนะงานนะงานบางอย่างใช้เวลาหลายนายทีงานบางแช่งงานบางอย่างใช้เวลาหลายชั่วโ ม, มง งานบางอย่างใช้เวลาหลายวันมาเชื่อว่าหลายคนจะรู้สึกมีความสุขต่อเมื่อมันได้ทําให้เสร็จตอที่ไม่เสร็จมันจะรู้สึกมันไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่หลายคนเนี่ยก็จะรื่องจะมีความสุขอยากจะทําอะไรให้มันเสร็จๆไปมันจะได้รู้สึกมีความสุขแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรมที่จริง น, นะ ทำปุทีละขณะมันก็มันก็เสร็จทีละขณะวางได้ทีละณะไม่ต้องรอความสุขเมื่อมันเสร็จไม่ต้องรอความสุขเมื่อมันสำเร็จแต่มันจะมีความรู้สึกสุขที่ได้ทำทีละขณ ะ, <c oughs> ะจริงๆนะมันเสร็จไม่เสร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องอันนี้งานอันนี้เสร็จงานหนึ่งนะยังมีอีกหลายงานที่ยังไม่เสร็จนะ <c oughs> ถ้าเราก็จะต้องไปงานนี้เสร็จนะก็ไม่ใช่วีา่าสรจสุขนะสุขแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็มีงานใหม่มาอีกแล้วแหละชีวิตเราก็เลยสุกสั้นแต่ทุกนาน <c oughs> เพราะว่าไปรอความสุขเมื่อเมื่อบางอย่างมาสำเร็จหรือเมื่อมันได้อะไรมานะแต่ปฏิบัติธรรมจริงๆนะมันมีความสุขหรือว่ามีความไม่ทุกข์ทุกขณะที่เรารู้สึกตัวสังเกต น, นะ ทุกขณะที่เรารู้สึกตัวเมื่อมันคิดมันก็กลับมานะหรือเมื่อมันไม่คิดเราก็อยู่กับตัวเองได้ไม่ต้องดิ้นตัวเองนะะอยู่กับความง่วงได้ไหมอยู่กับความเมื่อยได้ไหมบางทีก็ต้องฝึกนัโยมนะฝึกเพราะว่าบางทีตอนนี้ร่างกายแข็งแรงพอสมควรที่มันปวด มันเปลี่ยนได้เนาะปวดเมื่อยก็เปลี่ยนได้แต่บางทีก็ต้องฝึกอยู่กับมันบ้างพอถึงวันหนึ่งเราไม่สบายมากๆเนาะอยู่โรงพยาบาล น, นอนบนเตียงหรือบางคนแจ็คพอตนะเป็นธรรมปพฤติธัรมภาชนะมันอยู่แบบนั้นจริงๆนะถ้าเราเคยฝึกมาก่อนเออเราก็จะอยู่ได้แต่นะ ถ, ถ้าเรามีแต่หนี ความปวดเมื่อยหนีความทุกข์หนีความเบื่อบางขณะมันถูกมัดมือมัดแขนไปไหนไม่ได้เนี่ยมันหนีไม่ได้นะอืมันจะทรมานร่างกายแล้วทรมานจิตใจมากเลยเลยเพราะทรมานจิตใจมีคนพิการนะเขาเคยเล่าให้ฟังห่าเฮ้ความพิการแรกแรกมันก็ทรมานแต่พออยู่ไปนานๆมันชินความพิการทางกายเนะี่ย อยู่เป็นานๆานมันชินมันไม่ค่อยทรมานมากแต่ที่ทรมานมากที่สุดคือความรู้สึกทรมานใจที่อนาคตที่เหลือจะเป็นอย่างไรนอถ้าพ่อแม่คนดูแลเราตายไปจะเป็นอย่งไรนอไอเนี้ยทรมานมากกว่าความรู้สึกทรมานทางกายพอพักๆหนึ่งมันปรับตัวได้นะมันก็เริ่มอยู่ที่แล้วก็อืมพออยู่ได้แต่ความรู้สึกทรมานใจเนี่ย ถ้าไม่มีเสรื่องอยู่เนะี่ยโอหมันจะวิตกกังวลเป็นทุกข์นะย้อนคิดถึงแต่อดีตอะไรนะคิดถึงกรรมคิดถึงเบนคิดถึงอะไรก็ม่อยู่ <c oughs> นะเราฝึกเนาะฝึกมาเพื่อการนี้นะนะมีใครจนะไดล้งเตี้ยมีใครจะถามก็พข อ, ขอเชิญ น, นะนะ ถามได้ไหนไม่ไม่แน่ใจนะหือไม่เข้าใจหรือว่าถามเพื่อจะได้เอาไปทำให้มันถูกต่อเนี่ยครับก็ถามกันนะอืรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรเนะี่ยดีนะไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรเนี่ยไ ม, ม่ต้องไม่มีคําถามก็มี หนูดูอะไรหมดแล้วไม่หมดตัวแต่เคียนแค่ยังทําไม่ได้ ไม่มีนะอ่าการฝึกการฝึกการนี้แคมันจะเปนการฝึกท่ามืหนึ่งนะคสุดท้ายคือมันจะทำให้เรามีสติพอที่เราจะดูเท่าทันอารมณ์ได้ตลอดอย่างนั้นก็จะได้ตลอดหรือเปล่ามันก็คงไม่ได้ตลอด เห็นว่าพอเราฝึกบ่อยๆจิตมันจะคุ้นเคยกับการกลับมารู้ร่างกายอืมพอมีร่างกายเคลื่อนไหวโดยที่อิรลียบดที่แต่ก่อนเราไม่เคยรู้ตัวมันก็จะคุ้นในการกลับมารู้ตัวเหมือนคล้ายๆเราเรียนเช่นเราเรียนภาษาอังกฤษตรงนะั้นเราฝึกท่องซับบ่อยๆมันก็ค่อยๆจําไปพอคนนี้พอได้ยินเขาพูดคำนี้ปุ๊บอ่ะมันจะรึกได้เร็ว ไม่ต้องแบบใช้เวลาสมองในการคิดมากอันนี้ก็เหมือนกันพอร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวปุ๊บจิตก็จะรู้รตัวได้เร็วขึ้นอันนี้คือเราจะเกิดการรู้ตัวได้บ่อย่ออถ้าอย่างสมมุติว่าผมอาจจะฝึกได้วันหนึ่งไม่มากแต่ว่าเวลาการใช้ชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าผมจะแป่งฟันทําขับรถหรืออะไรก็ตามทีถ้าผมมีจิตอยู่กับสิ่งนั้น มันก็คือการฝึกติไ ก, กลายได้ไครับหลวงพ่อตรงๆเลยโยม <c oughs> จริงๆนจริงนะฝึกสติตงตรงๆคือที่เราทำจริงจริงนั่นแหละแปรงฟันด้านหน้าอาบ <c oughs> น้ครับรถกินข้าวนะั่นแหละที่การฝึกสติเข้าไปในตรงนั้นน่ะเพราะปกติผมชอบเอาเวลาลงกิจกรรมอื่นมากกว่าใช่ <c oughs> แล้วตอนนี้น่ะจะ เ, เป็นใช้ยังไง ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับการฝึกคุ้มซานประดวยเท้าใช่ <c oughs> แต่ว่าบางทีอย่างเราออกกาําลังกายเนยครับแล้วก็เอาเวลาออกกำกายมาคิดเรื่องงานเราก็รู้สึกว่ามันปยัดเวลาดีนะแต่ว่าลรกๆแล้วมัน ก, มนก็มันก็รู้จะขัดแย้งกับการฝึกสติหรืออะไรพวกนั้นนะอ่ะอ่าดีปริณเดีนะยวเริเข้าเริ่มเข้าใจอ่ะมันมันเป็นแบบนั้นแหละบางที มาเคยได้ยินได้ฟังนะได้อ่านพวกนักธุรกิจที่เขามีเชื้อเสียนนะเนีย่ยในอเมริกาคนรวยต่างๆเขาจะมักทำอะไรพร้อมกันในหลายอย่างมา ก, พกเพราะควารู้สึกประหยัดเวลาดีวเวลาออกกำลังกายก็ฟังข่าวฟังอะไรบทสรุปอะไรไปด้วยนะมาว่ามันก็อาจจะดีในแง่ของสมอง <c oughs> ดีในแง่ของสมองหรือประหยัดเวลาแต่ถามว่าในแง่ของจิตใจ มันส่งผลดีไหมมันก็ไม่ได้ดีเพราะขณะที่ออกกำลังกายแทนที่จะให้จิตใจได้พักผ่อนบ้างนะหรือแล่ไม่ต้องใช้ความคิดไปจําอะไรมากมันไม่ได้พักเลยมันต้องเหมือนแค่ออกกําลังเพื่อให้ร่างกายมันมีกล้ามเนื้อแข็งแรงแต่จิตใจไม่ได้พักตั้งตั้งแต่ตื่นจหนหลับนะมันก็เลยเครียด ก, ก็ดีแล้วถ้างานไม่ยุ่งมากก็ไม่ถ้าเวลาอื่นที่ ที่วางได้ก็วางงานไปก่อนแล้วก็ใช้ความคิดแต่เฉพาะตอนที่จำเป็นต้องทำงานต้องวางแผนก็ใช้เวลาคำนันให้แค่พอสมควรแต่อย่าไปแบ่นเวลาไปคิดเรื่องงานกับไปโฟกับกิจวัตรอ่าะอื่นมากเกินไปเพราะจริงแล้วถ้าเราเคยสรุปกับตัวเองหว่าให้ที่คิดตอนกินข้าวให้ที่คิดตอนออกกำลังกายให้ที่คิดตอนอยู่กับบ้านเนี่ย มันเราไปใช้จริงๆก็ไม่เท่าไหร่เนอะอืมจริงๆผมว่าเวลาเราเหมือนกับทำสองอย่างพร้อมกันเนี่ยจริงๆมันเหมือนกับว่าเราทำไร้แค่อย่างเดียวแต่สลับไปมาอย่างนั้นมากกว่าใช่แล้วบางทีของการว่าพอคิดอะไรมากๆเข้าผมจําไม่ได้รู้ผมทําอะไรอยู่ใช่เสแล้วก็ก็พยายามทำอย่างเดียวเป็นหลักดีกว่าทําอย่างเดียวเป็นหลักก็ แล้วก็ใส่ใจหมาถึงว่าอย่าเราออกกําลังกายเนะี่ยที่จริงการฝึกสติมันเข้าไปอยู่ในการออกกําลังกายได้ทุกอย่างเลยเนีย่ยยมจะไหว้เนีายยมจะปัน่นจักรยานยมจะจ็อกกิ้งจะโยคะจะอะไรก็เอาความรู้สึกตัวเข้าไปรู้สึกกับการเคลื่อนไหวไปด้วยเนะี่ยได้หมดเลยเราก็จะได้ออกทั้งกําลังกายด้วยแล้วก็จิตใจก็มีสติมีสมาธิไปด้วยได้ทั้งสองอย่าง แล้วที่จริงอย่าที่โยนว่านะบางทีเราไปคอยหาเวลาปฏิบัติธรรมเป็นจริงให้เวลาที่เราต้องทำเป็นประจำเวลานะแปรงฟันด้างหน้ากินข้าวทุกอย่างเนี่ย น, นะเพียงแค่เราใส่ใจรู้ตัวเข้าไปเนะี่ยเราจะได้เวลาในการปฏิบัติธรรมในการรู้ตัวเนี่ยวันหนึ่งหลายชั่วโมงส้า <c oughs> งหลังส่งเปข้างหลัง ไม่ร <ừ> ับตรงนี <ừ> ้ ควราะตอนที่เราตอนที่เราไม่ได้อยากไดนะ้บบมันกับแถ่วงแล้วกนิ่งิ่งจริงริก็รู้สึกนะดูไหมทำไมพเพราอะไรวความสุขนะพอเราอยากได้มันก็เลยไม่ได้ความทุกข์พอเราไม่อยากได้มันก็เลยได้มันตรงข้ามกันอยู่<ม>ความสุขพอลอง เราไม่อยากได้มันดูสิมันถึงไม่อยากได้มันถึงว่าไม่ใช่ต้องอยากได้มันนะความสุขถ้าแค่รู้เฉยๆมันจะสุขได้เรื่อยๆความทุกข์พอเฉยๆกับมันนะไม่ได้ว่าจะต้องหายรีบหายไปนะมันจะดีบไปตรงเลยจริงนะเมื่อไหร่ที่เรารู้เฉยๆความสุขจะเกิดขึ้นได้บ่อย เมื่อที่เรารู้เฉยๆความทุกข์จะดับไปได้เร็วแต่เพราะเราไม่รู้เฉยอ่าเราไม่ชอบความทุกข์การไม่ชอบความทุกข์น่ะคือเหตุทําให้เกิดความทุกข์มันก็เลยทุกข์ต่อการที่เราอยากจะได้ความสุขก็คือเหตุทําให้ความสุขมันหมดไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนขร้างเกิ น, กนอืมนี่สิ่งสำคัญคือเราต้องทําเหตุให้รู้รู้ทันเนาะแล้วก็ รู้ทันบางทีรู้ทันความชอบความไม่ชอบอที่มันเกิดขึ้นในใจเราจะขอความชอบความไม่ชอบก็ระดับไปจิตจะกลับมาสุขแบบสงบนนะไม่ใช่สุขแบบต้องรอยนะ็นสุขเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นได้บ่อยความทุกข์เองก็เหมือนกันพอเรารู้เฉยความทุกข์มันมันจะจบไปกลายเป็นความไม่ทุกข์ของมันเองแต่มันก็จะมีบางอย่างที่ มันเรียกว่าเป็นสภาวะที่มันค้างสภาวะที่มันค้างบางทีมันมีมีความสืบต่อกันเช่นบางทีเราปฏเราทํางานแล้วมันคลิสคลิดเคียดมากนะเครียดพอสมควรแล้วมันมันจะมึนหัวอย่ารู้สึกแบบไม่ค่อยสบายอยู่แต่ถ้าเรารู้ทันแล้วบางทีความเครียดมันหายไปก่อนละแต่สภาวะที่มึนหัวรู้สึกอึดอัดมันอาจจะต้องอาศัยเวลาหน่อยมาค่อยค่อย ไม่ค่อยลดลงนะแต่ถ้าเป็นอารมณ์มันจะดับไปได้ก่อนแต่สภ า, าวะที่มันค้างอยู่ในอยู่ในด้านกายจะต้องอาศัยเวลาที่มันต้องปรับตัวสักหน่อย ไม่อยากให้โยนทุกนะไม่ได้แค่แต่โอกาสมันจะเป็นแบบนั้นเยอะนะเพราะว่าเมื่อถึงข่าวเจอปัญหานะหรือเมื่ อ, อถึงข่าวเจอการพัดภาคสูงเสียเมื่อถึงข่าวร่างกายไม่สบายนะถามว่าเรามีที่พึ่งแล้วยัง เรามีคนรักเป็นที่ขึ้นแต่คนรักก็ก็ช่วยเราได้แค่ร่างกายนะพาเราไปส่งโรงพยาบาลพาเราไปหาหมอเงินทองก็เป็นที่ขึ้นพาเราไปรักษาจ่าค่ารักษาพยาบาลออันนี้เป็นที่พึ่งทางกายนะแะที่พึ่งทางใจ แน่ใจไม่าอยู่ได้เวลาต้องอยู่ความต่วยแน่ใจไหมว่าอยู่ได้เวลาต้องทัดเท้าสูญเสียแน่ใจไหมว่าอยู่ได้พอถึงข่าวจะตายเ <c oughs> นี่ย น, นี้ก็ถ้าใครพิจารณาดูนะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแต่จริงยิ่งใครสุข มีที่พึ่งได้เร็วนะชีวิตที่เหลือกับยิ่งเป็นกําไรเป็นกําไรคืออะไรยิ่งอยู่ยิ่งจะได้ต้องมีความสุขท่ามกลางความทุกข์ไม่ใช่ท่ามกลางความสุขทั้งหมดนะท่ามกลางความทุกข์ของโลกร้อนท่างกางความทุกข์ของสังคมที่วุ่นวายท่ามกลางความทุกข์ของร่างกายที่ค่อยๆ่อ ย, อยเสื่อมสภาพไปมาเริ่มทุกข์มากขึ้นนะ แต่มันอยู่กับโลกได้มันผ่อ น, อนคลายมากขึ้นสบายสบายสบายกับผู้คนมากขึ้นสบายสบายกับตัวเองมากขึ้นเข้าใจคนอื่นเข้าใจสิ่งอื่นมากขึ้นมันก็เลยมันมีความสุขมึนมากขึ้นนะเมื่อเรามีความสุขมากขึ้นเราก็ทําประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากขึ้นเพราะเราเห็นแก่ตัวน้อยลงเราไม่ได้คิดถึงแต่ความสุขแบบสนุกสนานเฉพาะตัวเรา เข้าใจคนอื่นเราช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้นเนี่ยนะคือมันก็เกี่ยวข้คนในการปฏิบัติธรรมของเราซึ่งก็ไม่ได้เกิดประโยชน์แต่เราตัวคนเดีย ว, วก็เกิดประโยชน์ทุกคนที่เราได้เกี่ยวข้องนั่นแหละ<ม>ก็ไปลองดูมว่ามันไม่ได้ยากแต่เพียงแต่ว่ามันต้องอาศัยเวลาหน่อย<ม>อาศัยเวลาในการฝึกเป็นประจำเหมือนกันักกีฬาถ้าเรา ฝึกกีฬานี้ตั้งแต่เป็นเด็กฝึกทุกวันวันละกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่เช้าเย็นใช่ไหมคล้ายนักกีฬาทีมชาติเขาก็ฝึกทุกวันโดยสรีระร่าง ก, กายบางคนเนี่ยก็แข็งแรงเข้ากันแต่พราะต้อฝึกทุกวันเขาก็เลยเกิดทักษะเกิดความชํานาญนะก็เลยเก่งในประเดศนั้นมนุษย์ทุกคนก็เหมือนกันนะมีแตะเรียกว่าในการฝึกจิตเท่ากันนะ แต่เราเจ็บสุดมากฝึกน้อยเนี่ยอันนี้ยคือความต่างคือตรงนี้แหละเหมือนกับที่เราก่อจะเข้าใจบางทีความเก่งในการเช่นเรียนจบเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เกี่ยวกับไอคิวเท่าไหรอ่อาจจะมีความต่างกันม้างอะไรแต่ความขยันความมันเพียยนมันเป็นสิ่งที่อืมมันทําให้คนต่างกันเนยอะเหมือนเราเคยเห็นนะเด็กเพื่อนเราตอนเรียนปรมเนี่ยมันก็เก่งพอกว่าเาตเรียน แต่พอถึงวันนี้นะบางคนก็เรียนเก่งมากบางคนก็ต่ำมากก็มี <c oughs> มันก็แล้วแต่การใช้ชีวิตที่เรียลเลยด้วยนั้นเรื่องจิตใจนะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยแต่เป็นเรื่องที่เราจะใส่ใจมันหรือเปล่า <c oughs> แค่นั้นแหละ <c oughs> ถ้าผ่านเวชานี้ก็เป็นาวชาหน้าจะเป็นอย่างไรนะอืจะเกิดเป็นอะไรนะก็ ไม่มีใครบอกได้เกิดที่ไหนก็มีใครบอกได้เกิดแล้วไปเจออะไรนะก็มีใครบอกได้นะแต่ชานี้นะได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบคําสอนของพระพุทธเจ้านะแล้วก็พวกโยมในโชคดีได้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติธรรมบ้างนะเป็นโอกาสดีแล้วนะอืมไม่ใช่บางคนเป็นชาวพุทธได้ทําบุญทําทานแต่ถามว่าปฏิบัติธรรมทาแบบไหนเนี่ยมาว่า มากกว่าครึ่งนะจตอบไม่ได้หรือตอบก็ตอบผิดคุณเอกคุณต้แป ะ, ะ, ะเป็นเจ้าภาพเป็นคนที่ตนบุญเนาะตอนนี้ก็เจ้าภาพพวกเราทำบุญก่อนวันเข้าสงสาได้